อันนี้เครื่องมือทันสมัยไม่ต้องเดินทางไปไหนไปเผยแพร่ธรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยกระจายไปสะดวกสบายก่อนต้องไปนูมนมานี่อันีอยู่ที่เดียวแล้ก็มีเครืงม้เครื่องมือกระจายไป ที่อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงทาได้สบายหลายหลายทางด้วยกันอันนี้ถ่ายทอดสดก็สิบสาสี่ทางทางยูทูทางเฟซบุ๊กทาง Facebook นไลน์แล้วกทางเคเบิลใครอยู่แถว น, อ, อ, นอุทยานนาเ ใทยบริการของบางละมุงเควบิเขาก็มีช่องหนึ่งถ่ายทอดสดวเวลาไม่ได้ถ่ายทอดสดก็รื้อเปิดดูย้อนหลังมีครับมีช่องหนึ่งเนี่ยครับตลอดยีิบสีชั่วโมงีชั่วโมงครับอนนี้สะดวกสบายการการฟังเทศฟังธรรมนี้มันเป็นประโยชน์มันทำให้เราได้รู้ว่า อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจของเราสวนิสวนใหญ่เราจะรู้สิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษกับร่างกายแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษกับจิตใจเรากับไม่รู้กันกับหลงกันกับเห็นกับตาลปัดเห็นเห็นกับกันสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจเรากับเห็นว่ามันเป็น เป็นคุณสิ่งที่เป็นคุณกับจิตใจเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นโทษเราจรึงมากเข้าไปหาสิ่งที่เป็นโทษโดยไม่รู้ว่ามันเป็นโทษที่ว่ามันเป็นคุณเหมือนกับเด็กที่ไม่มีใครสอนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดถ้าไม่มีใครสอนเรื่องยาเสพติดเด็กจะคิดว่ายาเสพติดนี้ ดีเศรษล้วมีความสุขแต่ไม่ได้เห็นสภาพเวลาที่ไม่ได้เสพว่าเป็นยังไงเวลาอยากจะเสพแล้วไม่มีเสพมันทรมานอย่างไรแล้วมันมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ยังต้องมีการโฆษณามีการเผยแผ่โทษของยาเสพติดอยู่เรื่อยๆให้คนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นโทษของมันจะได้เห็นโทษของมันจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจของเรานี่ไปเสพ สิ่งที่เป็นยาเสพติดแล้วก็มาทำให้เราต้องร้องห่มร้องหา้าอยอันนี้ยูทูไม่ดังเลยครับไม่ดังครับสายไม่ดีครืออะไรเลยพอดีวันนี้วันนี้ น, น่าจะตัว w i f ฟเสียทั้งสองตัวเลยนะเลยต้องย้ายสิมเลยต้องย้ายสิมเข้ามาในเงี้ยคเครื่อง Wi-Fi เสียนะน่าจับนะครับ ทุกอย่างไม่เที่ยงตัวอย่างเป็นของชั่วคราวสเปสังขารานิจาร์สังขารแปลว่าสิ่งที่เราผลิตกันขึ้นมาเอาชิ้นส่วนต่างๆมามาผสมกันเรียกว่าสังขารปรุงแต่งของตุอยางนี้เป็นของปรุงแต่งใช่ไ กุุงแต่งจากธาตุทั้งสีคือดินน้าลมไฟต้องมีธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราถึงสามารถผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาได้แล้วพอใช้ไปแล้วสักพักมันก็ธาตุสีที่มาตรรวมกันมันก็จะแยกออกจากกันทีละเล็กทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยมันก็เลยทำให้ สิ่งที่เราผลิตขึ้นมามันเสื่อมคุณภาพลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้การไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เห็นกันเราไปเห็นสังขารว่าเป็นเป็นสุขกันเราจึงผลิตกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดผลิตสินค้าต่างๆผลิตอะไรต่างๆเพื่อมาให้เรา ได้เสพได้สัมผัสได้ดูได้ฟังได้มีความสุขกับมันแล้วพอมันเสื่อมเราก็ต้องมาทุกข์กับมันแล้วพอเราไม่มีความสามารถที่จะหามันมาเสพได้เราก็ทรมานเหมือนยาเสพติดความจริงก็น่าจะ ควรกำหนดตัวสัมมือถือว่าเป็นยาเสพติดได้แล้วก็ใครที่มีมือถือแล้วนี่ถ้าไม่มีจะตายไหมตายจะทุกข์จะจะทรมาร์ดไหมใช่นี่จะไม่สบายแล้วมือถือเสียเดี๋ยวนี้มือมีเครื่องเดียวก็ไม่ได้แล้ว อย่างน้อยต้อสองนะในสอก็สาบางคนมีหลายเครื่องในกระเป๋าไม่เหืนอนนะเดนนี้มันมีโปรโมชั่นต่างๆโปรโมชั่นแบบโทรเข้าโทรออกไม่เหมือนกันเครื่องหนึ่งก็มีไว้โทรออกเครื่องนึ่งก็ไว้รับสายก็จะได้ลดค่าใช้ใจ่าย เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราเสพกันนี่คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนีมันเป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็ติดพอไม่ได้เสพก็ทุกข์หงุดหีิดลำคาใจว้าเวร่งร้าส้อยเหงยเหงาเราจึงต้องมาฟังเทศกัน อยู่เรื่อยๆก่อนอันนี้ youtube ยังไม่ดังดนะังครับทาง youtube ตอนนี้ดูภาพไปก่อนเสียงเสียงจะเบาครับเสียงเบ า, าเสียงจะเบาต้องเขาต้องเพิ่มเสียงเต็มที่นะฮะอ๋ะอยังรับเสียงได้อยู่ยังรับยังรับเสียงได้อยู่ครับแต่จะเบามากของพวกนี้มันก็เสียเร็วนะได้ไปได้สักพักหนึ่งก็ สายเสย อ, อะไรมันหลวมถอดเข้าถอดออกอยู่เรื่อยนะรบกนี้ถ้าเราถอดเข้าถอดออกอยู่เรื่อยเนี๋ยมันก็หลวมหลวมแล้วสัญญาณมันก็จะไม่วิ่งได้เต็มที่ก็ต้องคอยมีอาไหลไว้รองรับเพราะอยากจะให้การถ่ายทอดมัน ไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าดูสดไม่ได้ก็ดูย้อนหลังก็ได้มันก็เหมือนสดอ่ะเพราะว่ามันเพียงแต่ต่างที่เวลาเท่านั้นเองถ้าดูจริงๆถ้าไม่ได้ไปไปเช็คว่ามันสดไม่สดก็มันก็เหมือนกับสด เ, เป็นแต่สดของเมื่อวานนี้ แล้วมันเรื่องของธรรมะมันก็เรา่็พูดมันก็เป็นอาการทโกอยู่แล้วมันไม่ได้ขึ้นกับเวลาการเวลาเหมือนกับดูฟุตบอลนอดูกีฬาต่ า, างๆถ่ายทอดสดนี่มันมั น, เ ป, นเป็นเรื่องที่เป็นเฉพาะกับเวลานั้นทีมนี้ชนะแพ้เนี่ยมันจะรู้ทันที ถ้ามันดูย้อนหลังมันก็รู้อยู่แล้วว่าดูแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นเท่านั้นเองแต่ําว่าเราไม่ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของอความจริงความจริงที่ไม่ขึ้นกับเวลาความจริงที่เราเรียนกันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเวลา มันเป็นความจริงตลอดเวลาเหมือนกันพูดวันนี้พูดเมื่อวานนี้พูดช่งนี้มันเป็นความจริงเหมือนกันไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาธรรมะที่เราฟังวันนี้มันไม่เปลี่ยนไปตามการตามเวลาเพราะความจริงที่ธรรมะพูดอย่างนี้มันมันเป็นอมะตะเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย อีกกี่แสนล้านปีกลับมาเกิดก็เจอความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอดีตการที่ผ่านมากี่แสนล้านปีมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดแก่เจ็บตายก็เหมือนกันไม่มีควาว่าสุขที่จะเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย มีแต่จะทุกข์ถ<ม>้าสุขก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบนี้ความทุกข์ไปไม่ได้สุขแบบเดี๋ยวก็ถูกความทุกข์ตลบหลัง<ม>เวลาเกิดใหม่ๆก็สุขกันเวลาจเจริญเติบโตร่า<ม>งกายมีแต่แข็งแรงขึ้นจเจริญขึ้นสามารถทำอะไรได้มากขึ้น ยุคที่เจริญเติบโตนี้จะเรียกว่าสุขก็ได้แต่ี๋ยวมันก็ไปถึงขีดที่มันจะไม่เจริญเติบโตแล้วเจริญเติบโตเต็มที่ทีนี้มันก็จะมีแต่ถอยหลังลมีแต่เสื่อมล้าทีนี้ความเจ็บความอะไรต่างๆก็จะมีมากขึ้นความสามารถที่จะทำอะไรก็ลดน้อยหยลงไป ความทุกข์ก็จะตามมาเพราะเราต้องการให้ร่างกายทําอะไรให้กับเราแต่มันไม่สามารถทําแบบเดิมได้ความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อกี้เพิ่งได้ยินข่าวว่าที่ออสเตรเลียเขาออกกฎหมายให้ฆ่าคนให้ให้ทำให้คนเจ็บตายได้ให้หมออนิยาหมออนญะให้หมอให้ให้ยาพิษกับคนที่อยากจะตายได้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วมีความเจ็บปวดมากๆไม่อยากจะอยู่ต่อไป ถ้าขออนุญาตขอให้หมอช่วยฉีดยาให้ให้ยายาพิษให้ก็หมอก็กฎหมายก็จะอนุญาตให้หมอทําได้เนี่ยเมื่อชีวิตพอมันไปสู่วัยชราวัยเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีความสุขแล้มันเลยไม่มีความอยากที่จะอยู่อยากจะฆ่าตัวตาย แต่การฆ่าตัวตายมันก็เป็นกับเป็นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงเป็นการหนีปัญหาไปชั่วคราวเพราะว่าฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าตัวที่ทำให้เรามาเกิดใหม่ถึงจะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่เราไปฆ่าร่างกายมันก็ฆ่าไม่ฆ่าเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดี ตัวที totally ่เราต้องค่าก็คือตัวที like ่มาทำให้เรามาเกิดตัวที่ทำให้เรามาเกิดก็คือตัวความอยากหาความสุขจากร่างกายเราต้องเลอกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนกับเลอกใช้มือถือเนี่ยถ้าเราเลอกใช้มือถือได้เราก็ไม่ต้องซื้อมือถือใหม่แต่ถ้าเรายังทำใช้มือถืออยู่เดี๋ยวมือถือเครื่องนี้เสียเราก็ ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะเรายังต้องชใช้มันอยู่เมื่อก่อนเราไม่มีแล้วก็ไม่มีมือถือเราก็อยู่กันได้เ น, นี้ยเดี๋ยวนี้มีมือถือแล้วเป็นยังไงถ้าไม่มีมันเป็นยังไงไม่มีมันก็ต้องหาใหม่เนี่ยความอยากอยากใช้มือถือมันไม่ได้มันไม่ได้หมดไปกับมือถือเวลามือถือเสีย ความอยากใช้มือถือมันไม่เสียไปกับมือถือมันยังอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยต้องทำให้ต้องไปซื้อมือถือเครื่องใหม่มาใช้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนมือถือของใจนี่ใจเรานี่เป็นผู้ใช้ร่างกายเหมือนเราใช้มือถือเนี่ยใจใช้ตาหูจมูกบิ้งกายไว้ ตาไว้ถ่ายรูปใช่ไหมเหมืนกล้องของมือถือแล้วก็มีกล้องอยากจะเก็บภาพอะไรไว้เราก็ถ่ายมันมีกล้องอยากจะฟังเสียงบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกเสียงได้อยากจะฟังเสียงจากของคนนั้นคนนี้เราก็ติดต่อ เ, เขาได้โทรหาเขาได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันมี ม, มีมีไมโครโฟนมีมือถือมีตามีกล้อง มีเครื่องบรรเทกเสียงพอมีตาก็อยากจะดูอะไรก็ยูได้พอมีหูอยากจะฟังอะไรก็ฟังได้ตัวความอยากนี่แหละที่มันทำให้เราต้องมีตาหูจมูกเลี้ยงกายเวลาเราไม่สามารถใช้ร่างกายเราได้เราจะรู้สึกอยางไงเช่นไม่สบายหรือว่าสบายแต่ไม่มีเงิน ออกไปนอกบ้านไม่ได้ไม่มีเงินจะไปไหนก็ไปไม่ได้ตอนนั้นมันจะรู้สึกหงุดหงิดตั้งขานใจมันเกิดจากความอยากความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากอยากจะไปนอกบ้านอยากจะไปดูไปฟังอะไรไปเที่ยวไปเล่นพอไปไม่ได้มันก็หงุดหงิดนะคนที่ติดเขกติดตารางนี่หงุดหงิด คามจริงร่างกายมันก็ไม่ได้ทรมาร์อะไรตรงไหนติดคุกติดตาราง่ไหมร่างกายก็ยังมีข้าวกินเหมือนเดิมมีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าใส่เวลาไม่สบายก็มียารักษาโรคแต่ทำไมใจมันไม่สบายเพราะใจมันอยากอยากไปนู่นมานี่เหมือนที่เคยทามาแต่ตอนนี้ติดติดขุกติดตารางไปไม่ได้ ก็เลยทรมานใจทุกข์ใจเศร้าใจว้าเวหวหงุดหิดอารมณ์ไม่ดีไม่สบายใจนี่ะคือตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจคือความความอยากที่เวลาอยากแล้วไม่สามารถทำตามความอยากได้ถ้าเรามาศึกษาธรรมะ เราก็จะได้รู้นี่แหละ ว, ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษตัวที่เป็นโทษก็คือความอยากของเราเนี่ยความอยากในรูปสิ่งเกลื่อนลอความอยากร่ำอยากด้วยอยากได้ลาบยศสัลลเสริญความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาเพราะมันจะทําให้เรามีความไม่สบายใจเวลาอยาก ดูรูปเสียงเกลิ่เสบ ร, รูปเสียงเ ก, กิ่นดพอไม่ได้เสกก็งดเกลิ่นตำคานใจเวลาอยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเ ง, งินทองก็ไม่สบายใจต้องเดินน้นหาสิ่งที่เราอยากได้มาพอได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันจากเราไปเวลาจากเราไปเราก็เสียใจ ความอยากพวกนี้แหละที่มันไม่ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่กับใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันจึงพาให้เราไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่คนคนที่เจ็บไา้ได้ป่วยแล้วอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยความทุกข์นี่มันเกิดจากความอยากฆ่าตัวตาย ถ้าไม่มีความอยากฆ่าตัวตายก็ อ, อยู่กับอยู่กับความความเจ็บ่ายได้ป่วยได้ไม่ทรมานใจที่มันทรมานใจเพราะมันอยากหนีจากความเจ็บ่ายได้ป่วยนั้นเราต้องมาฝึกมาฝึกใจให้เราสามารถควบคุมความอยากให้ได้หยุดความอยากให้ได้นี่แหละ การหยุดความอยากนี่เป็นคุณการปล่อยให้ความอยากนี่ไหลออกมาแล้วก็ทําเป็นตามความอยากเนี่ยเป็นโทษทําให้ใจเรานี่จะต้องทุกข์ทรมานใจเออการมีความอยากในใจเนี่ยเป็นโทษการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เนี่ยเป็นคุณ ใจที่ไม่มีความอยากนี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจของพระสาวทั้งหลายเนี่ยเป็นใจที่ไม่มีความอยากเพราะท่านได้พิสูจน์กับตัวท่านเองแล้วว่าท่านเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าความอยากนี่เป็นตัวที่มาสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับท่าน ท่านก็เลยศึกษาหาวิธีหยุดความอยากกำจัดความอยากก็พบวิธีหยุดความอยากว่าจะหยุดความอยากจะกำจัดความอยากได้นั้นก็ต้องมีธรรมะอยู่สองสองชนิดด้วยกันคือสติกับปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะสามารถ ควบคุมความอยากกําจัดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วใจจะอยู่เฉยๆได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายได้ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องดื่มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นใจจะอยู่อย่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่เป็นคุณกับเรา สิ่งที่เราควรเข้าหากันคือสติกับปัญญาเป็นธรรมที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้ให้หมดไปได้ไม่ใช่ไปหาราบยศสรรเสริญไปหามรูปเสียงกลิ่นรสมาดับความทุกข์ใจกันเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจ มันเป็นการเพิ่มความทุกข์ใจให้มีอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราจะดับไฟเนี่ยเวลามีไฟลุกขึ้นมาถ้าเราเอาน้ำเทลงไปเดี๋ยวน้ำมันก็จะทำให้ไฟดับแต่ถ้าเราน้ำมันเทเข้าไปเนี่ยตอนตอน้นเทเข้าไปใหม่ๆไฟก็ทำท่าจะดับ เพราะตอนนั้นน้ำมันมันไม่ร้อนมันยังไม่ประทุมันยังไม่ลุกขึ้นมามันก็เป็นเหมือนน้ำมันก็ทำท่าจะให้ไฟดับแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาไฟมันก็จะลุกขึ้นมากกว่าเก่าฉะนันใดการที่เราจะดับความทุกข์ใจของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นเราต้องเอา รรมเข้าไปดับเอาสติเอาปัญญาเข้าไปดับเพราะธรรมะนี้เป็นเหมือนน้ำดับไฟแต่ถ้าเราเอาความอยากไปดับคือทำตามความอยากนี่มันจะทำให้ไฟไม่ดับอยากได้อะไรก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาพอได้มาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ก็กลับขึ้นมาใหม่ เหมือนคนที่สูบบุหรี่คนที่เดิมสุรานี่เวลาอยากสูบบุหรี่ก็ต้องหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเพราะถ้าไม่สูบแล้วมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจพอได้สูบแล้วก็ความหมงุดหงิดไม่สบายใจก็หายไปแต่หายไปพักเดียวเดี๋ยวกความอยากจะสูบบุหรี่ใหม่ก็ต้ไถ้าไม่หยุดสูบ ไม่หยุดความอยากมันก็จะสูบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดสูบไปจนกว่าร่างกายไม่สามารถสูบได้คนที่เป็นโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถุงป่งพองเนี่ยถุงอยากจะสูบก็สูบไม่ได้ตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจแล้วมีความทุกข์ทางร่างกายด้วย ที่ได้รับพิษของบุหรี่เข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายหายใจไม่สะดวก ป, ปอดจะพังหรือดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแต่ถ้าฝืนความอยากได้เวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันแต่ต้องอดทนกับความทรมานใจความหงุดหงิดใจในช่วงที่มันมีความอยากอยู่ แต่ไปถ้าทนได้ต่อไปความอยากนั้นมันก็จะเบาลงไปแล้วความทรมานใจมันก็จะเบาลงไปต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังไปถ้าไม่มีเครื่องที่จะมาบรรเทาความทรมานใจนี้จะทนกันไม่ได้นอกจากใจแข็งๆคนบางคนในี่ใจเข้มขันพอตัดสินใจจะไม่สู่ก็ ก็ทนได้ทนกับความอยากทนกับความทุกข์ทรมานใจได้คนที่ไม่เข้มแข็งก็ต้องมาทำใจให้เข้มแข็งก่อนสิ่งที่จะทำให้ใจเราเข้มแข็งก็คือสติและปัญญาถ้าเรามีสตินี้เราจะทำให้ใจเราสู้กับความทรมานได้สู้กับความทุกข์ใจได้เพราะเราจะลดหรือหยุดมันได้นั่นเองถ้ามีสตินี้เราจะหยุด ตัวที่ผลิตความทุกข์ทรมานใจก็คือตัวความอยากนี่เองตัวความคิดที่ไปคิดถึงบุรีพอคิดถึงบุรีก็อยากจะสู่บุรีขึ้นถ้าไม่หยุดความคิดได้มันก็จะไม่คิดถึงบุรีความอยากบุหรีมันก็จะไม่เกิดความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะไม่เกิดนี่แหละคือ ธรรมะที่จะมาดับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากต่างๆขั้นแรกเราก็ใช้สติสตินี้จะสามารถดับความทุกข์ได้เป็นพักๆไปเวลาเกิดความอยากเราก็พุโทโธพุโทโธไปอยากไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากพอเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็ลืมเรื่องที่เราอยากใจสงบ ความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็โผล่ขึ้นมาแทน น, นี่ขั้นแรกเรามาฝึกสติก่อนมาฝึกทําใจให้สงบก่อนเวลาเกิดความอยากได้อะไรก็ให้เอาสติหยุดมันไปก่อ น, นการหยุดด้วยสตินี้มันจะไม่ได้อยู่ อย่างท้าวรนเดี๋ยวพอออกมาถ้าเผลบอบ่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้มันก็จะอยากขึ้นมาอีกเังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดให้มไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้เราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นคุณหรือเป็นโทษกับจิตใจเช่นบุริสุลัยามาว เรต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแนะเป็นยาพิษหรือเป็นน้ําทิพย์กันแนะถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันสุขชั่วเดี๋ยวเดียวมันสุขตอนที่เราได้เสษมันแต่พอมันหมดแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์เวลาเราขาดมันเวลาไม่มีมันเราก็จะทุกข์เราต้องมองภาพรวม ถึงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่ถ้าเรามองแบบสั้นๆเราก็จะเห็นว่าอ๋อได้สุขไปเลยแะสบายได้ดื่มเหล้าแล้วก็สบายได้อะไรที่เราอยากได้แล้วก็สบายใจสุขใจแต่เราไม่มองภาพรวมว่าเราจะได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเราจะสามารถได้มันตลอดเวลาหรือเปล่าเวลาที่เราไม่ได้มันมันอะไรจะเกิดขึ้นมา เราไม่ได้มองตรงภาพรวมกันถ้ามองภาพรวมแล้วเราจะต้องเห็นว่าเราจะต้องมีวันที่เราจะไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้หรือทําสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เรามีอยู่มันจะต้องจากเราไปสิ่งที่มันให้ความสุขกับเราเนี้ยวันดีคืนดีมันก็ต้องจากเราไปเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงั้ง น, นั้นมันไม่ถาวรมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับ จะเลินแล้วก็ต้องเสียง้าเราก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมไม่ได้คนเราที่เกิดมานี่มีคนทุกยุคทุกสมัยพยายามค้นค้าค้นคว้าหาวิธีหยุดความแก่หยุดความเจ็บหยุดความตายกันคนค้นความาทุกยุคทุกสมัยคนยังไงก็ไม่มีวันที่จะหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้อาจจะชะลอบ้างสมัยนี้คนอายุยืนยาวเลย อยู่กันแปดสิบเก้าสิบปีเพราะมีอยู่มียามีอาหารมีความรู้ที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้นานๆแต่ก็ไม่ไม่เกินร้อยกว่าปีพอเกินร้อยปีแล้วมันก็ส่วนใหญ่ก็ตายกันไม่มีใครมายับยัง้งธรรมชาติได้ร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีใครไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศได้ไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้ไปเห็นไหมหลวงท่านก็พยายามใช้ฝนเทียมเหม็นไหก็<ม><อ>ทำได้เล็กเล็กน้อยๆจะไปทำแบบให้มันสั่งให้มันตกแบบที่เราต้องการไม่ได้เพยงแต่ศึกษาวิธีว่ามันตกได้ไง แล้วเรามีความสามารถที่จะทําให้มันตกก็อาจจะทําได้บ้างแต่เวลามันตกแล้วไปสั่งให้มันหยุดนี่ยังไม่มีใครทำได้ห้ามมันไม่ได้เวลาน้ําท่วมสั่งแม่มันท่วมได้ไ่มใครสั่งได้นี่ไปสมัครเป็นผู้ว่ากอทอมเราด้วยคนรับรับประกรันถ้าเรื่องเราเข้ามาแล้วกรุงเทพจะน้ําจะไม่ท่วมตลอดไปเอันนี้ได้เป็นผู้ว่าไปตลอดชีวิตเลย แต่ไม่มีใครรับประกันได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็รับประกันไม่ได้ว่ากรุงเทพจะน้ําจะไม่ท่วมเพราะมันเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแต่เราไปแยกมันออกมาจากธรรมชาติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นร่างกายเราไปเห็นร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไปเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเรา แล้วเราเคยควบคุมบังคับมันได้มาในระดับหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะควบคุมบังคับมันได้ไปเรื่อยๆเช่นตอนที่เราเจริญเติบโตนี่เราบังคับให้มันโตได้เพราะมันกําลังโตพอดีแล้วเราก็อยากให้มันโตเราก็เลยคิดว่าโอ้ยเราสั่งร่างกายได้สั่งให้มันโตขึ้นเรื่อยๆสั่งให้มันเดินได้สั่งให้มันยืนได้สั่งให้มันวิ่งสั่งให้มันทําอะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันทําได้ เราก็เลยโหนุงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะสั่งได้แต่มันก็สั่งได้ในในกรอบในระดับหนึ่งแต่พอเกินระดับนั้นก็สั่งไม่ได้สั่งไม่เจ็บไข้ได้ป่วดนี่สั่งไม่ได้เดี๋ยวเพอเพอเป็นหวัดขึ้นมานะเดี๋ยวก็ปวดท้องขึ้นมานะเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่ นี่เกิดเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้กันไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติไม่รู้ว่าเป็นอนักตาไม่รู้ว่าเป็นอนิจจงไม่เที่ยงไม่ถาวรใจเราชอบของเที่ยงชอบของถาวรแต่เราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เที่ยงแท้แน่นอนถาวรได้ ทุกสิ่งที่ยั่งที่เรามีอยู่นี้มันต้องมีการเปลี่ยนไปมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรพอได้มาก็จะต้องได้ความทุกมาตอนต้นอาจจะได้ความสุขตอนที่เราได้สิ่งนั้นมาพอเราได้มาเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาแต่ต่อไปสิ่งนั้นก็จะต้องเสื่อมไป หรือจากเราไปนรือเราต้องจากเขาไปคราวนั้นก็ความทุกข์ก็จะตามมาถ้าเรามองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเราสั่งห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่มันไม่เที่ยงเวลาที่เราสั่งมันไม่ได้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรนี่คือปัญญาพอเวลาใจอยากอะไรขึ้นมาก็บอกไม่เที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราควบคุมบังคับไม่ได้แล้วถ้ามันยังดื้อเราก็ต้องใช้สติดึงเอาไว้ยังดื้อไปหาบุรีสุยังดื้อไปหาสุราดื้ยังดื้อไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ใช้พุทโทพุโทโธพุธโทโธ อยากไปทําตามความอยากถ้าเรามีกำลังมากถ้าสติเรามีกำลังมากเราก็จะชนะความอยากได้เวลามันอยากเราสอนด้วยปัญญาแล้วมันก็ยังดือ้อแต่ตอนนี้พวกเรามีปัญญากันเนยอะเราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเราได้ยินคาว่าอาร อ, อั น, นิจจังทุกขังอนัตตากันตลอดเวลาเราได้ยินอริยสัจ ส, สี่ ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราแต่เราก็ยังห้ามมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะห้ามกำลังของความอยากมันมากกว่ากำลังที่เราจะไปหักข้ามมันได้เราจึงต้องมาเสริมกำลังใจให้เกิดขึ้นสิ่งที่จะเป็นกำลังใจที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติถ้าเรามีสติเราเพ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากไม่ได้พอมไม่ไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากความอยากมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราเพ่งอยู่กับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเรื่องที่เราอยากมันก็จะหายไปมันจะเหลือแต่พุทโธพุทโธอยู่แต่ในใจเราแล้วความอยากก็จะหายไปความเครียดความปวดยจตบลาคาญใจก็หายไป นี่คือวิธีที่เราจะดับความทุกข์ต่างๆแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ใจของเรามีแค่สติปัญญาสองตัวนี้เท่านั้นแหละที่เป็นเหตุที่จะทำให้เรากำจัดความทุกข์ไดสร้างความสุขให้กับเราได้อย่างแท้จริงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราหากันนี้มัน ดัความทุกขได้ชั่วคราวให้ความสุขได้ชั่วคราวแต่แล้วมันก็จะพลิกกลับกลายเป็นความทุกข์ที่ร้ายแรงกว่าตอนที่เราไม่มีมันใช่เวลาเราอยู่คนเดียวนี่เราอาจจะเหงาเราก็คว่ามีแฟนมีคู่ครองแล้วจะหายเหงามีความสุขพอไปมีแฟนมีคู่ครองเดี๋ยวเกิดทะเลาะกับแฟนนี่ ความทุกที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เจอเข้ามาแล้วสิเวลาอยู่ความยอยู่คนเดียวความทุกข์ที่เกิดจากความเหงานี่มันไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์เวลาที่ทะเลาะกับแฟนมีเรื่องกับแฟนหรือเวลาแฟนจากเราไปหรือเวลาแฟนไม่รักเราโกรธเราเกลียดเราพยายามที่จะทําร้ายเราฆ่าเราเรากําลังไปหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว ถ้าอยู่คนเดียวก็มีแค่ความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาเล็กๆน้อยๆว้าเหว่ไปเท่านั้นเองแต่จะไม่ได้เจอความทุกข์จากการทะเลวิวาสการกอดกันเกลียดกันตบตีกันหรือความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันถ้าเรารักใครแล้วเกิดเขาไม่ซื่อสัต์กับเราเขาไปแอบมีใครนี่พอรารู้ข้าวนี้เหมือนมีมีดเข้ามาจีบที่หัวใจ หน้ามืดเลยถึงกับอยากจะฆ่าเขาได้รับกันกนาดไหนพอไม่ซื่อสัตว์ต่อกันแล้วมันก็ทำให้หน้ามืดขึ้นมานี่แหะคือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเวลาเราอยากจะได้อะไรเราจะเห็นว่าโอ้เป็นความสุขมีแฟนแล้วมีเพื่อนมีเพื่อนให้ความสุขไม่เหงาไม่ว่าเว แต่ไม่เห็นด้านอื่นที่เกิดจากการมีแฟนความหึงหวงเลยความวิษยาความห่วงเลยความเสียใจเลยที่จะตามมาต่อไปความทุกข์มีเป็นเป็นควงตามมาเลยไม่เห็นเห็นแต่ความสุข ต, ตอนต้นตอนที่ได้อยู่กับแฟนความเหงาหายไปมีความสุข เราไม่ได้คิดด้วยปัญญาเราคิดด้วยความอยากคามอยากมันจะให้เราคิดว่าเป็นความสุขซึ่งมันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความสุขเป็นภาพเป็นภาพเล็กๆส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นั่นเองมันไม่ได้เป็นภาพรวมถ้าเป็นภาพรวมแล้วมันก็เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวกันเดี๋ยวก็ต้องข่วงกันหัวกัน แล้วเดี๋ยวถ้าจากกันก็ต้องเสียอกเสียใจกันร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยคือปัญญาที่พระเจ้าสอนให้พวกเราพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นในรูปแบบนี้มันเป็นสุขต้นสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มเป็นความทุกข์ทีละเล็กทีละน้อยในในในแต่ละ ลักษณะพอได้มาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความหวงนะได้อะไรมาแล้วก็หวงวหวงนะคุณซื้อลถใหม่มาดูสิคุณเวลาจะไปจอดรถที่ไหนนะคนคิดหน่อยนะมันจะปลอดภัยหรือเปล่ามีใครจะม า, าทุบมาอะไรมนหรือเปล่าใครจะเอาตะปูมาขีดหรือเปล่า มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอมีอะไรแล้วเราก็รักก็หวงหวงแล้วก็ห่วงแล้วก็ต้องมาคอยดูแลมันคอยเช็ดคอยล้างมันเมื่อเช้านี้เห็นคนล้างรถอยู่คันหโอยอาบน้าไม่รดป <c oughs> อกสมูทให้ด้วย <c oughs> ถ้าไม่รีรดก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาัมามาล้างมันมาซักมันมาอาบน้าไม่มาเนื้อ ไปไหนมาไหนก็ขึ้นแท็กซี่ดีกว่าขึ้นรถเมย์ดีกว่าสบายกว่าคนขับก็มีไม่ต้องขับให้เสียเวลานั่งหลับได้มีรถเองก็ต้องขับเองอีก <c oughs> เวลาจ่อยก็ต้องหาที่จอดรถอีกถ้าขึ้นแท็กซี่พอถึงจดหมายปลายทางก็ลงจ่ายเงินปั๊บไปแล้วไม่ต้องไปหาที่จอดรถเนี่ย <c oughs> ความทุกข์เล็ก ๆ, ๆน้อยที่เรามองไม่เห็น ถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันะคือสรุปแรกก็คือว่าของทั้งหมดในโลกนี้มันต้องให้ความทุกข์กับเรานะทั้งนั้นในลักษณะต่างๆในรูปแบบต่างๆในวาระต่างๆถ้าไม่ดีแล้วดีที่สุดการที่จะไม่มีอะไรได้มันต้องอยู่เฉยๆได้ จะนั่งเฉยๆได้ถ้าเรานั่งเฉยๆได้ทั้งวันนั่นเคยก็สบายมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวก็มีแค่ดูแลร่างกายเท่านะั้นร่างกายมันก็ไม่ต้องการอะไรมากหรอกให้มันกินข้าววันละมื้อเหมือนหมาม้ไหเรื่องหมานี่ลิงให้มันกินข้าววันละมือ้อมันก็อยู่ได้นะ่ะร่างกายมันกินข้าววันละมือ้อเสื้อผ้ามันแค่สองสามชุดก็พอแนละ้วถ้าไม่ไปไหนนะถ้าอยู่เฉยๆ ก็มีไว้ชุดไว้ใสอีกชุดไว้ซักอีกชุดไว้สำร อ, องไห้เปิดซักก็ไม่แห้งมีสามชุดก็พอแล้วรองเท้าก็มีรองเท้าแต่คู่หนึ่งก็พอแล้วเดินไปไหนมา ไ, ไหนก็มีรองเท้าใส่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ทาอะไรไม่เสพอะไรได้สบายในชะ่ไมไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรนี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้พวกเราเข้าเข้าให้ถึงกันได้ คือให้อยู่เฉยๆให้ได้เห็นไหมดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านนั่งอยู่เฉยๆมากีปีแล้วเนี่ยมาทีลายท่านไปไหนไหรอท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านกาลังแสดงธรรมให้เรารู้อ่ะสอนความจริงความสุขอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่อยู่เฉยๆตอนที่ท่านตัดจะรู้่าท่านท่านทำอะไรอะท่านก็นั่งเฉยๆไม่ใช่ไหมนั่งอยู่โคนต้นโพทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ความที่มีความอยากนี่ทรมานเวลานั่งแล้วมันอยากจะลุกเนี่ยแต่ท่านใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันจนในที่สุ ด, สดความอยากจะลุกก็หายไปความอยากจะไปทําอะไรต่างๆอยากจะไปมีอะไรต่างๆหายไปหมดการเมตตาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหายไปจากใจหมดเลยท่านก็เลยอยู่เฉยๆไนดะ้หลังจากตัดสติแลนะ้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นไปหาอะไรไม่เห็นไปมีอะไร มีแต่กินอยู่นอนแล้วก็สอนธรรมะไปวันๆเนี่ยพุทธกิจของพุทธเจ้ามีห้าข้อตอนเช้าก็ออกบินธบากหากินก่อนเป็นขึ้นมาก็หากินให้ร่างกายพอกินเสร็จแล้วก็กลับมาพักผ่อนอยู่เฉยๆไปพอบ่ายมีญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมก็เทศให้ญาติโยมฟังพอตอนค่ำก็สอนภิกษุสามเณรภิกษุณี อตอนเด็กก็มีเทวดามาขอฟังธรรมตอนเช้าก่อนอยากบินสบายท่านก็เล็งยามดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นคนที่พร้อมที่จะบรรลุหรือคนที่อาจจะต้องเสียชีวิตไปในระยะเวลาอันใกล้แต่ถ้าราับถ้าไปสอนเขาแล้วก็จะทําให้เขาสามารถบรรลุได้ก่อนที่เขาจะตายท่านก็จะนุ่งไป หาคนไายแบบนั้นหาคนแบบนั้นไปช่วยเหลือเขาในวันนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดทุแล้วท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านอยู่เฉยๆได้ท่านไม่ได้ไปเสพลูกเสียงกิ่นรถท่านไม่ได้ไปมีอะไรไม่ไม่ไปมีแฟนไม่มีไปมีครอบครัวไม่ไม่ไม่ไปหาอะไรทำอะไรเพราะพรุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวเชื่อไ้มมีแต่สร้างพระแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธรูป สร้างแต่พระอรหันต์พระอริยะเจ้าพระสาวกเนี่ยการแสดงธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการสร้างพระอริยะเจ้าพอพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพอเริ่มแสดงธรรมเนี่ย้นอยู่เพียงแค่เจ็ดเดือนแรกเนี่ยมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูธทำไมเรารู้ว่ามีพระอรหันต์หนึ่งันสองรอหสิบรูธก็เพราะว่าวันมาฆบูชานียนะวันมาคฆบูชาเป็นวัน วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเท่าไรเดือนสามใช่ไหมวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมขงหน้ากเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนอะไรเดือนแปดจากเดือนแปดไปถึงเดือนสามนี่กี่เดือนเจ็ดเดือนใช่ไหมแปดถึงสิบสองก็สี่เดือนจากสิบสองก็ไปอีกสามเดือนก็เป็นเจ็ดเดือนจากวันอาสาฬหบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนธรรมะขั้นแรก ไปถึงวันที่สิบห้าค่เดือนเจ็ดเดือนสามเนี่ยเจ็ดเดือนช่วงนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกือบทุกวันสอนคนน้นสอนคนนี้น ส, นนนส่วนใหญ่สอนพวกนักบวชเพราะนักบวชนี่เขาพร้อมกว่าคารวาผู้คลองเรือนเขามีเขามีสติแต่เขาขาดปัญญาเขามีสติทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิเข้าฌานได้ พระพธเจ้าเลยมุ่งไปสอนพวกนี้ก่อนพวกนี้เป็นบัวที่เหนือน้ําแล้วยงแต่รอแสงสว่างของดวงอาทิตย์บัวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วพอตอนเช้าพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็จะบานขึ้นมาทันทีบัวที่อยู่เปลิ่มน้ําหรืออยู่ใต้ น, น้ำนี่ยังไม่มีทางที่จะบานได้ใช่ไหมต้องใช้เวลาก่อนนะเพราะพุทธเจ้าตอนก่อนจะแสดงธรรมจะก่อนประกาศต่อ ทำคำสอนก่อนที่จะสั่งสอนเนี่ยท่านมานั่งวิจัยก่อนว่าจะสอนใครดีมนุษย์ที่เราจะสอนนี่มันมีกี่ชนิดกันมีความรู้ความสามารถต่างกันอย่างไรก็เหมือนกับนักเรียนนักเรียนระดับประถมนักเรียนระดับมัธยมนักเรียนระดับอุดมศึกษามันมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันพาัฒนามาแม่ ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันบางคนอยู่ระดับปถมจะเอาความรู้ระดับ ม, มหาลาัยไปสอนมันก็เรียนไม่รู้เรื่อง<ม>ก็ต้องเอาความรู้ระดับปถมไปมันก็จะเสียเวลาช้ามากกว่าที่จะค่อยมาจบมหาลาัยได้จบปริญญาได้นี่ต้องใช้เวลามากสอนกับคนที่อยู่ชั้นปฐมแต่ถ้าสอนกับนักศึกษาที่อยู่ในมหาลาัยแล้วสอนปุ๊บเดียวเดียวก็สาเร็จได้ปริญญาทันที พระ เ, เจ้าเลายมุ่งไปสอนพวกที่เป็นประดับปรบัญญาก่อนระดับอุดมศึกษาคือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วขาดปัญญาที่จะทําให้มีพลังมีความสามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เพราะก่อนที่พระเจ้าตัดจารุนี้ไม่มีใครรู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวปัญหา แต่ไม่มีใครคิดจะกมจับมันแล้วก็ไม่รู้วิธีกำจับมันว่ากำจัดอย่างไรพระพุทธเจ้าคนพร ว, วิธีกำจับมันก็คือสู้กับมันอย่าไปทําตามความอยากพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนต้นโทลจนจนสามารถฝืนความอยากทุกชนิดที่ผล่ขึ้นมาได้จนความอยากไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจแล้วท่านก็เอาความรู้เนี้ไปสอนพวกที่มีกําลังมีสมาธิอยู่แล้ว พอพวกนี้รู้ปั๊บเขาก็เกิคการอยากได้เลยพอฟังธรรมทีบรรลุได้เลยไปสอนสำนักหนึ่งมีห้าร้อยมีนักบวชอยู่ห้าร้อยคนพวกนี้มีศีลสมาธิทั้งห้าร้อยคนพอแสดงบอกให้หยุดความอยากเขาก็หยุดกันหยุดปั๊บการบรรลุเป็นผ้าหลังขึ้นมาห้าร้อยยคทันทีในยุคแรกๆเนี่พระพุทธเจ้าถึงพระฤทธิ์ผ้าหารได้มากเพราะท่านเลือกเอาคนที่มีศักยภาพ เหมือนกับนักศึกษาเนี่ยไปสอนที่นักศึกษาเด็กกับไปสอนเด็กอนุบาลเด็กปถมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจบป ร, ริญญาได้ทันทีเหมือนกับนักศึกษาไปสอนพวกจบพวกอยู่ที่ปีสี่เนี่ยนะสอนเทววิชาสองวิช า, น, ชานี่จบละปลุปลกได้ละรับป ร, ริญญาได้นะยุคแรกๆเนี่ยพวกเจาก้าผนละิตพระละหันเจเดือนแรกนะี่อย่างน้อยก็หนึ่งสองร้อยห้าลูก พราะในในในประวัติท่านก็แสดงไว้ว่าพอวันเพ็ญเดือนสามวันมาคะก็มีพระอรหันต์ที่ได้บรรลุธรรมแล้วได้ไปเผยแผ่ธรรมะช่วยเหลืพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะตามสารทิตต่างๆนี่กลับมาเยี่ยมพระพุทธเจ้า mm hmm. คืนสู่เย้าก็เรียก ว, วันคืนสู่เย้าของพระอรหันต์เนี่ยศีกาวไงพวกนี้เป็นศีกาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า <na> เป็นคนบวชให้พระพุทธเจ้าเป็นคนสอนแล้วก็บวชให้พอพวกนี้พอบวชปั๊บเขาก็ขอบวชขอบวชตามพระพุพทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บวชง่ายๆาจงมาเป็นภิกษุเถิดแค่นี้ก็จบแล้วเป็นพระเพราะพวกนี้เขาก็เป็นนักบวชอยู่แล้วเขาก oui. ็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้วไม้ได้ว่าเขาขอให้มาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอให้อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเอง ขอย้ายสำนักเมื่อก่อนก็เป็นสำนักเขามีมิจฉาทิฏฐิจึงทําให้เขาไม่สามารถบรรลุได้บางสำนักก็สอนให้บูชาไฟอย่างเนี้ยบูชาไฟแล้วจะบรรลุอย่างโอคุลิมานก็ถูกสอนให้ไปฆ่าคนเพื่จะบรรลุพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกให้ฆ่ากิเลสฆ่าความอยากก็เลยพอฆ่าความอยากได้ก็เลยขอ ขอสมัครบวชเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าภายในเจ็ดเดือนแรกนี้พระอรหันต์าสาโลกที่หลังจากที่เขาบรรลุลธรรมนะเขาพุทธเจาก็บอกว่าให้กระจายไปคนละทิศคณลทางอย่าไปด้วยกันให้ไปแยกกันไปเพื่อจะได้เอาความรู้นี้ไปสอนไปบอกผู้อื่นที่ยังไม่รู้พวกนี้แหละไปช่วยผลิตพระอาหันต์ขึ้นมาอย่างเยอะนะแยะเลยเพราะพวกนี้เขาก็จะรู้ว่าเป็น เขาจะไปเผยแผ่สั่งสอนใครก่อนตรงนี้ก็จะไปตามเมืองตา่ตางๆแล้วก็ไปหานักบวชที่อยู่ในเมืองนั้นแหละไปสอนพวกนี้ก่อนถึงจะได้มีพระ้าหนังปรากฏขึ้นมามากมายพอพวกที่ได้บรรลุแต่ยังไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็อยากจะมาเจอพระพุทธเจ้าก็เลยวันดีคืนดีก็เลยมากันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาทีหนึ 1, ่งพันสองอห้าสิบรูป คิดว่าคงจะมีมาอยู่เรื่อยๆแต่พอดีวันนั้นเป็นจังหวะที่มากันเยอะพวกที่ได้รับคำสอนจากพระสาวกที่ไปเผยแผ่ธรรมที่ไกลที่ห่างไกลจากพระพุธทธเจ้าเนี่ยพอเขาได้บรรลุแล้วเขาก็อยากจะมาเจอพระพุธทธเจ้าก็พอดีวันนั้นก็เลยมีมาอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี่ยะพระพุธทธเจ้าท่านไม่สร้างอะไรท่านไม่สร้างวัดท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของญาติอยู่ การสร้างวัด น, นี่มันหน้าที่ของศรัท ธ, ธายาบอยู่มันไม่ใช่หน้าที่ของพระนอกจากพระอาจจะไปไปแนะนำได้ถ้าญาติโยมไม่รู้วิธีสร้างวัดว่าสร้างอย่างไรแต่ไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะไปหาเงินหาทองออมาสร้างถ้ามีเงินทองพร้อมแล้วคนมาเสนอขอขอรับคาปรึกษาพระก็ให้ปรึกษาได้ว่าจะสร้างไงสมัยนี้ถ้าใครมาปรึกษาแล้วก็บอกให้สร้างวัดป่า ไปเช้าที่มาแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม่ต้องไปปลูกศาลาไม่ไม่ต้องไปปลูกเจดีไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรปลูกต้นไม้ก่อนให้มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็ปลูกกระตอ๊อกไผพระพออยู่ได้หลบแดดหลบฝนได้แล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าแล้วก็อาจจะมีศาลาหลบแานหลบฝนได้ไว้สำหรับมาทำกิจกรรมเช่นขบฉัน หรือมาฟังธรรมมาศึกษาวัดป่ามีใช่นีว้วัดป่าเขาไม่มีอะไรหรอกไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์แต่ถ้าเป็นวัดบ้านนี้ต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีกฎิแล้วก็ต้องสร้างอย่างรู้หลาเพราะว่าเขาศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นผู้ประเสริฐจะให้ท่านอยู่กระต็อบแล้วมันรู้สึกก็ไม่สบายใจ สร้างปตาตอมให้พระอยู่แต่ตัวเองสร้างคอนโดให้ตัวเองอยู่นี่มันก็รู้สึกว่ามันมันไม่สมเกียรติของของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็เลยพยายามจะสร้างให้ดีให้สวยให้งามถ้าครูบาอาจารย์ใจอ่อนก็ปล่อยก็สร้างไปแต่ถ้าครูบาอาจารย์ใจแข็งี่ทนาให้สร้างอย่างนูงตาเนี่ยมีเศรษฐีน้องคายคนหนึ่งไปขอสร้างกุฏิใหม่ให้ท่านถึงสิบกว่าครั้ง ท่าให้สร้างอยู่ได้กุฏิของท่านกุฏิม้กุฏิรั้งรุงรังคากระเบื้องแบบง่ายๆไม่มีไฟฟ้ า, ฟาไม่มีอะไรไม่มีน้ําประปาท่านอยู่ของท่านอย่างนั้นมาตั้งแต่ท่านบวชมาแต่ญาติโยมก็ไม่ไม่ไม่รู้วิธีอยู่ของพระเลยคิดว่าญาติโยมที่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านสวยๆงางานดูหรานี่ยมันมีความสุข แต่มันไม่แต่มันไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของพระเพราะว่ามันถ้าจะต้องสร้างบ้านแบบนี้มันต้องใช้เงินมากใช้เวลามากแล้วพระนี้ไม่มีเงินของตัวเองใช่ถ้าจะไปสร้างแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวพระรูปอื่นเห็นก็อยากจะเอาตัวอย่างไม่มีคนมาถวายสร้างก็ต้องหาเองมาสิก็จะไปขอเงินขอทองจากญาติพี่น้อง อากเปนน้องก็วุ่นวายต้องทําผ้าป่าทําอะไรกันเพื่อที่จะได้มาสร้างบ้านให้พระอยู่กันอันนี้มันมัมนไม่ได้เป็นสไตล์ของของพระอะไรนะสไตล์ของพระนี้อยู่ตามมีตามเกิดพุทธเจ้าสอนพระเวทบวชหม่ว่าหาที่อยู่อย่างไรหาหาที่อยู่ตามโคนไม่ไปอยู่ในป่าโคนไม่มีไม้เยอะแยะเอาไม้เอากิ่งไม้มาทําเพิง พอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ได้นะพระทูดงนี่ท่านก็มีกรดอันนึงท่านก็ไปอยู่ในป่าได้นะพระทูดงนี่ถ้าไปก็จะไปแล้วก็ชาวบ้านที่ท่านจะไปบิณฑบาตเขาก็จะมาดูแลท่านเขาอาจจะทําแค่ไม้ไผใ่ให้ท่านนอนท่านก็มีกรดมีมุ้งนี่ก็เป็นบ้านลนะกรดก็คือร่มล่มก็เป็นเหมือนหลังคามุ้งก็เป็นเหมือนฝาบ้านนะ พอกลางมุ้งเข้าไปก็นั่งสมาธิในกฎได้นอนบนแค่ได้แล้วก็ทำทางจงกรมให้อันนั้ก็เสร็จแล้วเนี่ยทำหน้าพระแค่นี้ก็พอแล้วนี่แหละวิถีชีวิตของพระจริงๆมันมีแค่เนี้ยพระท่านต้องการแค่ที่นั่งสมาธิกับที่เดินเดินจงกรมนั่นเองเพราะนั่นคือสนามรบของท่านหรือห้องเรียนของท่านห้องเรียนของพระก็คือที่นั่งสมาธิกับที่เดินจงกรม ถ้ามีที่เดินจงกรมไปนั่งที่นั่งสมาธิแล้วส ถ, ถานที่วิเวกไม่มีใครมารบกวนนั่นแหละคือห้องเรียนของพระในสมัยพุทธกาลท่านเรียนกันอยู่นั้นตอนต้นก็ไปเรียนไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพรอบวชก็พระพุทธเจ้าก็จะอบแล้ว่าไปหาที่อยู่ในป่าอยู่นะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติจเจริญปัญญาสองตัวนี้ท่านะแล้วก็อย่าไปทาบาปอย่าไปทาอะไร ถ้าไปทำผิดศีลเพราะไปทำบาตแล้วชาวบ้านก็าจะไม่ศรัทธาก็จะไม่ใส่บาตรให้เท่านั้นแหละพระที่ต้องรักษาศีลเพื่จะได้รักษาศรัทธาของผู้ที่เขาสนับสนุนถ้าพระทำบาตรมากกว่าชาวบ้านชาวบ้านจะมาใส่บาตรให้พระทำไมใส่บาตรให้ตัวเองไม่ดีกว่าใช่ไหมที่ใส่บาตรเพราะเพราะว่าชาวบ้านไม่สามารถทําแบบพระได้คือรักษาศีลแบบพระได้อดทนแบบพระได้ ก็เลยยินดีที่จะสนับสนุนคนที่มีความอดทนมีความมีศีลมากกว่าตนเองแต่หน้าที่ของพระก็มีแค่เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเวลาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจเจริญสติเดินก็ควบคุมใจไม่ให้คิดให้อยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธพุโทโธไป แต่ต้องดูว่าเรากําลังเดินไม่ใช่พูดโธแล้วก็ไม่ดูว่าเดินไปไหนมาไหนเดี๋ยวเดินเหยียบกู mm. ดเดินเหยียบอะไรเท้า mm. แล้วเดินไปเตะไปชนอะไร mm. เวลาเดินก็ต้องมีสติอยู่กับการเดินแต่ถ้าใจมันไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้พุโทโธเดินกับเข้ามาพุโทโธพุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธเราจะควบคุมใจให้ไม่ให้คิดได้ไม่ให้อยากได้แต่มันจะไม่นิ่งถ้ามันยังไ ม, ไม่ไม่นั่งเฉย เพเวลาเดินนินใจยังต้องทํางานอยู่ยังต้องควบคุมร่างกายเหมือนคุณใช้โดรนส่งโดรนขึ้นไปคุณจะนั่งคุณจะไปนอนได้ไหมเวลามีโดรนอยู่เนี่ยคุณก็ต้องคอยคุมมันก่อนเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะหยุดคุณจะไปพักหลับนอนพักผ่อนหลับนอนคุณก็ต้องหยุดโดรนก่อนอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนโดรนที่จิตคอยควบคุมบังคับให้เดินไปเดินมาเนี่ยจิตเป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้ที่เป็นเหมือนโดรน ถ้ า, าต้ถ้าต้องการให้คนที่วควกลุ่มนี้หยุดพักผอ่อนก็ต้องหยุดโยนก็ต้องหยุดเดินร่างกายก็ต้องหยุดเดินต้องมานั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆแล้วทีนี้ใจก็จะหยุดทํางานได้หยุดคิดได้อย่างเต็มที่รวมเข้าเป็นสมาธิได้ที่เดินก็เดินเพื่อให้มีสติเพื่อจะได้หยุดความคิดหยุดใจได้พอหยุดความคิดหยุดใจได้แล้วก็ต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆใจถึงจะนิ่งได้อย่างเต็มที่ พอใจนิ่งได้เต็มที่ก็รวมเป็นสมาธิพอรวมเป็นสมาธิก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นี่ค่ะคือรางวัลของการเจริญสติก็คือจะได้จิตที่สงบที่เรียกว่าฌานเป็นอุเบขาสักตวารู้แล้วก็จะมีความสุขมากเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจหายเหนื่อยเดินจงกรม น, นานเท่าไหร่บางคนเดินที่ละหลายชัว่วโมงสามสี่ชัว่วโมง เพื่อจะเินสติพอเดินไม่ไหวก็มานั่งพอมานั่งจิตมีสติมากๆก็รวมเลยรวมแล้วก็มีความสุขสบายนอนอยู่ในปา่านั่งอยู่ในปา่าไม่เดือดร้อนเลยไม่กลัวไม่อะไรตอนจิตสงบนี่ความรักชังกลัวหลงหายไปหมดเลยไม่มีความกลัวอยู่ในใจไม่มีความรักอะไรไม่มีความชังอะไรไม่ได้หลงกลับอะไร ไม่ได้หลงกับราบยศสลรเสรินไม่ได้หลงกับรูปเสียงกลิ่นรสล ะ, ละ<ม>พอพบความสุขที่แท้จริงนะหายหลง<ม>ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความสงบนี้<ม>พอได้พบ ก, กับความสงบแล้วทีนี้ก็รู้แล้วว่าต้องค้าหาความสงบนี้อยู่เรื่อยๆ<ม>แล้วก็รู้ว่าอะไรที่มาทำลายความสงบก็คือความอยากพอจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้พอเกิดความอยากขึ้นมา ความสงบก็เด้งหายไปเลยความวุ่นวายใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีก็จะเห็นชัดเลยว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจไม่สงบก็ต้องหยุดมันอยากอะไรก็ต้องพิจารณาสิ่งที่อยากว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขเป็นสุขตอนต้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมันจะทิ้กลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะมันไม่แน่นอน มันไ ม, ม่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่คงเส้นคงวาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเสื่อมไปเสียไปพอใช้ปัญญาสอนมันก็จะขดเข้ามาไม่ทําตามความอยากเอาไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปท่านนี่ท่านทําแค่นี้พอท่านหมดความอยากแล้วท่านก็เอาความรู้นี้มาสอนคนอื่นต่อพระพุทธจาก็ไม่ได้สอนอะไรสอนอริยาาสัจสี ทุกส ม, มุทัยนิโรธมากอันนี้ทจำทุกขังอนาตตาอันนี้จงทุกขังอนาตตาจะเป็นตัวที่จะมาหยุดส ม, มุทัยคือตัณหาความอยากได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ก็หยุดความทุกข์ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ปัญหาของเราทั้งหมดก็อยู่แค่ตรงนี้อยู่ตรงที่ความอยากนี่อยู่ที่ความอยากสามตัวนี้การมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภพเพราะว่าตัณหาความอยากได้ราบยศสรรเสริญสุข วิภาวะตัณหาความอยากไม่สูญเสียลาบยศเสริญสุขไปอันนี้ที่ทำให้ใจเราดิ้นใจเราทุกข์ไม่มีความสุขแล้วดิ้นไปหาร่างกายกี่ครั้งก็ต้องเสียมันทุกครั้งไปเสียร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายมาที่เริ่มต้นที่เมื่อกี้ว่าพอพอแก่เจ็บแล้วพอเวลาแก่เวลาเจ็บก็อยากจะฆ่าตัวตายค่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไร ถ้าจะแก้ปัญหาต้องแก้ความอยากความอยากความอยากตายเวลายังไม่ตายพออยากตายตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาทาให้เราทรมานใจถ้าเราไม่มีความอยากตายเราก็จะอยู่เฉยๆได้พอถึงเวลาตายก็อย่าไปอยากอยู่อยากอยู่ก็ทุกข์เองพอถึงเวลาตายก็อยากตายได้ตอนนั้นนะถ้ามันจะตายแล้วก็ปล่อยมันตายถ้ามันยังอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันอยู่อย่าไปมีความอยากอยากอยู่ก็ไม่ได้อยากตายก็ไม่ได้ ต้องเฉยๆไปกับร่างกายปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้าใจเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วใจเราจะไม่ทรมานที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความทรมานใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวปัญหาถ้าจะฆ่าตัวตายถ้าจะฉีดยาต้องฉีดให้กับไอ้ตัวความอยากความอยากตายนี้ อยาให้มันหายไปแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ mm hmm. ถ้าไปฆ่าตัวตาย ม, มันก็เพียงแต่ทําให้ความตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรความอยากก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม mm hmm. เดี๋ยวก็จะกลับมาเกิดใหม่เกิดมาเกิดใหม่ก็ดีใจตอนเป็นเด็กพอเตอแลเติบโตก็ดีใจมีความสุขแล้วเดี๋ยต่อไปก็ไปเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไปฆ่าตัวตาย นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยจะทําให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมนี่เราจะไม่มีวันรู้เพราะความรู้เหล่านี้ไม่มีสอนที่ไหนมหาวิทยา ล, ายลัยอันดับหนึ่งของโลกเขาก็ไม่สอนไปนเรียนที่ฮาวาดไปเรียนที่ Cambridge, เคมบริดจ์ไปเรียนที่ MIT, เอ็มไอเรียนที่ Caltech ไม่มีสอนพวกนี้โง่ทั้งนั้น ปัญญาท่วหัวความความรู้เท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีมีพวกที่จบปัญญาจากข่าว่ารอดพ้นจากความทุกข์คนนะี้มีใครมาประกาศว่าข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์อีกแล้วมีนะ่นมไม่มีต่อให้ได้รับอได้รับเกียรติได้อะไรจบอันดับหนึ่งได้รับรางวัลโ น, โ บ, โนบลอะไรก็ว่าไปก็ยังไม่รู้จักวิธีมาดับความทุกข์ใจ รู้หมดรู้จักวิธีทํานู่นทํานี่จัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองทุกพออะไรนั่นแหละนี่คือเรื่องของความรู้ที่เรามาเรียนรู้กันธรรมะของพระพุทธเจ้าประเสริฐเราก็ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีตรงนี้แหะถ้าเรารู้จักใช้มันมันก็เป็นคุณนึ็นประโยชน์คนติดตามทีนสี่ห้าร้อยคนตามติดตามสด แล้วดูย้อนหลังอีกไม่รู้เท่าไหร่เขาก็ได้ติดตามได้รับความรู้แล้วถ้าเขามีเวลามีความสามารถเขาเอาความรู้นี้ไปปฏิบัติได้เขาก็จะดับความทุกข์ได้เพราะมันเป็นความรู้สากลมันไม่มีลิขสิทธิ์ใครฟังแล้วเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาขออนุญาตไม่เหมือนของต่างๆสมัยนี้จะใช้ต้องซื้อถ้าไม่ซื้อก็ถือว่าเป็นกานทาอะไร ซอซับสินทางปัญญานะเนี่ยเดี๋ยวถูกจับติดทุกติดตารางอีกแต่ความดีของพระเจา้านี้ท่านถือให้เป็นธรรมทานเป็นทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดับความทุกข์ได้นอกจากธรรมะของพระธเจา้าต่อให้ให้ศอกให้ทุนไปเรียนฮาวาดกลับมาก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนี่ไม่ดีทุกข์มากกว่าเดิม ต่หมายตอนที่เราไม่ได้ไปเรียนเราคิดว่าไปเรียนจบมาเราจะสบายที่ไหนได้กลับมากับทุกมากกว่าเดิมเนี่ยกลับมาก็ต้องทุกกับการหาเงินแล้วเลหางานั่นเลยได้งานมาก็ต้องทุกกับการทำงานนัแล้วก็กังวลกับการเยังที่าต้องถูกออกจากงานนี่มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นความรู้ทีกก่เราเรียนมานี่มันพาให้เราไปหาความทุกข์กันมันไม่ได้พาให้เราไปหาความสุข พอเราพอเรามาได้หนังสือธรรมะได้มาอ่านอ๋อจึงเข้าใจว่าทางที่จะออกจากความทุกข์ก็ต้องหนีจากพวกนี้ไปอย่าไปหามันอย่าไปหารายกยศเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันมีความทุกข์แถมมาด้วยทั้งนั้นแหละก็เลยออกจากงานได้ไปปฏิบัติได้ไปบวชได้แล้วก็อยู่เฉยๆได้ทุกวั น, นไม่ต้องมีอะไรมีแต่กินกับนอน แล้วก็ตอนบ่ายก็ว่านั่งคุยให้ฟังทุกวันก็คิดว่าวันนี้พูดยาวนึ่งชั่วโมงกว่าก็พอสมควรจากเวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะถาวะริกวะหาปุราปาริกปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกับปติ อิชิตังปฏตถิตังตุลหังคิดปะเมวะสมิจจัตุสัพเพปุไรตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวาจัตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทานาสีลิปสานิจังวุทธาปจายิโนจตารโธมรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางังสาธุมีใค ร, รยอยากจะถามได้ไมั้ยอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่างเช่นตอนอัดมาหรือแปลงฟันนะเจ้าค่ะ เริ่มสับสนว่าเป็นการเข้าดูเฉยๆโดยที่ใจอยู่กับสิ่งที่ทําตอนนี้ไม่ไปคิดสิ่งอื่นอแต่ว่าทำไมทํามากลายเป็นว่าเหมือนหนูเนี่ยไปภาคมันว่าเนี่ยถูสบู่ซ้ายนูสบู่ขวามันเยอะเกินไปเปล่าไม่แล้วถ้าเราอยากจะภาคก็ภาคไปถ้าไม่ภาคก็ได้ภาคก็ได้ถ้าดูเฉยๆได้ก็ยิ่งดีอกจะได้ไม่เหนื่อย แต่ถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ภาคไปก่อนก็ได้ม่าฉันกาลังอาบน้ําฉันกําลังถูสบู่อยู่ฉันจะไม่ไปที่บ้านนู้นคนเู้นคนนี้อะไรแนี้แต่ถ้าพอเริ่มสงบแล้วดูนิ่งๆได้โดยไม่ไม่พามันจะเหมือนไม่คิดมันจะดีกว่ามันจะดีกว่ามันจะได้สงบได้มากกว่าเพราะเวลาพาก็ยังคิดอยู่เป็นแต่ว่าไม่ไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราวไม่คิดทําให้เกิดความอยากขึ้น อันนี้เป็นการฝึกสติดึนใจให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงอดีตอนาคตแล้วพอมันนั่งสมาธิมันก็จะอยู่ดูน ม, มได้ดูน ม, มหายใจได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าอยากจะาพาคบางคนก็พูดยุบเนาะพองเนาะบางคนก็ว่าเข้าเนาะออกเนาะเข้าพูดออกโทรอันนี้เป็นการภาคเพื่อเป็นการหยุดความคิดดึงความ คิดไว้แมห้มันไปคิดนันเรื่องนี้แต่ถ้ามีกําลังมากแล้วไม่ต้องพาคดูเฉยๆมันก็ไม่ไปถ้าดูเฉยๆไม่ไปก็ไม่ต้องภาคตอนต้นหาจะต้องภาคก่อนตอนต้นนั่งถ้าไม่ไม่ยอมอยู่กับบทส่วดมันไม่ยอมอยู่กับการภาคก็อาจจะสวดมนต์ไปก่อนก็แล้สมมถ้านั่งแล้วดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้ก็สวดบทยาวๆสวดมนต์ไปยาวๆก่อนให้มันเหนื่อยให้มันอ่อนกําลังลง ด้านต่ อ, อไปก็อาจจะภากได้อาจจะพูดโทได้หรืออาจจะดูลงเฉยๆได้อี๋ยวนี้ตานเริ่มมานั่งสมาธิดีขึ้นแล้วใชคะาจากที่ตอนแรกต้องสวดมนุยยาวตอนนี้สวดแค่แค่ลอดเตียวแล้วก็ามาเป็นพูดโทร อ, อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตอนก่อนที่เรามานั่งสําคัญกว่าตอนที่เราทําอะไรทั้งวันเนี้เราควรที่จะคอยควบคุมความคิดไว้ให้ใจอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ถ้าถ้าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ยิ่งดี ถ้าเป็นงานที่ใช้ความคิดมันก็ยังจะทําให้ใจต้องคิดอยู่เห็นถ้าเราเลิกทํางานที่ต้องใช้ความคิดได้มีทําในงานที่จําเป็นเช่นงานเลี้ยงดูร่างกายอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวอะไรทํากวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วเราไม่มีงานเราก็เดินจงกรมแทนเมื่อีเราก็มานั่งสมาธิเบือ่อแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมสลับกันไปอย่างเงี้ยเราก็จะ การปฏิบัติเราก็จะหมุนไปผ่านไปผ่านไปแล้วก็จะสงบมากขึ้นไปเล็กๆ <โอ S 1> การฟังธรรมก็ได้ไปอยู่แต่อย่าฟังมากเกินไป <โอ S 1> ฟังวันละครัง้งก็พอครั้งสองครัง้งอย่าไปฟังทั้งวันฟังแล้วมันก็มันมันจะฟุกมันจะมันจะมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดไปอยู่<โ> อ, อะไรนะฟังเพื่อให้เรารู้แนวทางของการปฏิบัติเพื่อทบทวนการปฏิบททัติของเราว่ามันถูกทางหรือป่ ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนเดีเราฟังธรรมาต่อไปเราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนขั้นสติหรือขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาขัา้นศีลเรารักษาศีลอย่างน่อมนุ้กคุกคามอยู่หรือเปล่าถ้าเรารักษาศีลได้แล้วถ้าเราไม่ทํางานเราอยู่คนเดียวมันรักษาได้ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหอแต่ถ้าเราไปทํางานเดี๋ยวมันก็ต้องโกหกบ้างต้องอะไรบ้างะก็ลองทําไปไเรื่อย ข้อสำคัญก็คือทําบ่อยๆทํามากๆทําอย่างต่อเนื่องได้ยริงีพยายามตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดนะเช่นการถือสี่งแปลกนี่เป็นการตัดกิจกรรมต่างๆไปหมดนะครับกรณีที่เราถ้าคิดถึงอเ น, นจังทุกข์ดอนัตตานะครับเวลาเราคิดถึงนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติหรือเปล่าครับเป็นการเจริญปัญญาอเ น, นจังคือความรู้เพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยง อันนี้ไม่ใช่สติอันนี้คือปัญญาสตินี้ไม่รู้อะไรเลยให้สติจะให้รู้เฉยๆรู้เรื่องเดียวไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกมันดีมันชั่วไม่รู้ปัญญาเป็นตัวรู้ถ้าเรพิจารณิจังเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยมบางเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างไม่ดีทีนี้เราถ้าเราไม่คิดเราก็จะลืมพอเห็นอะไรก็ชอบก็อยากได้ขึ้นมาทันที แต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นอันนี้จังนะเดี๋ยวมันต้องหมดเดี๋ยวต้องเสียไปน ะ, ะมันก็เป็นปัญญาแล้วมันก็จะเป็นปัญญาที่จะมาหยุดความอยากของเราต่อไปการการศึกษาการเจริญปัญญาเพื่อเราจะได้มีความรู้มาต้านความอยากความอยากมันออกจากความหนงจากอารมณ์เห็นอะไรชอบก็อยากทันทีอยากได้ทันทีนึกเคยชอบอะไรพอเจอก็อยากจะได้ทันทีโดยที่ไม่คิดว่ามันมีทุกข์ตามมามันเห็นแต่สุขตอนที่ได้ แต่มไม่เห็นตอนที่ต้องเสียหรือเวลาที่มันเสียมันเปลี่ยนไปเราดึงต้องใช้ปัญญาตอนตอนที่เรายังไม่มีความอยากเราก็คิดทบทวนไปเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆพอเกิดความอยากเราก็จะได้เอาความรุ่งที่เราคิดนี้มามาหยุดความความหลงได้ความอยากเกิดจากความหลงหลงที่ไปคิดว่ามันเป็นสุขจริงมันเป็นทุกข์มากกว่า แสดงว่าเราก็คิดทางนี้ได้สมมุติเราไม่คิดผู้โทรเราก็มาทางคิดทางทางนี้ได้ใช่ไหมครับได้แต่มันจะทําให้การนั่งสมาธิไม่สงบนะถ้าเรายังสงบนั่งสมาธิไม่เป็นยังทําใจแท้งสงบไม่ได้อย่างเพิ่งไปทางปัญญาพยายามหยุดความคิดก่อนถ้าปล่อยมันคิดเรื่องนี้มันไม่มันไม่หยุดอะ่ะหยุดไม่เป็นยิงต้องหัดหยุดให้ได้ก่อนหัดหยุดให้แล้วถึงค่อยบงังคับให้ม่คิดในทางปัญญาแล้วถ้าต้องการจะหยุดประหยุดมันได้ บางทีมันไม่ ไ, ไปทางปัญญาเราก็จะหยุดมันได้เมือนขับรถเนะี่ยเราต้องติดเบรกก่อนถ้าไม่มีเบรกอย่าเพิ่งขับรถออกไปทั้งถนนถึงแม้เราจะควบคุมให้มันอยู่ได้แต่เวลามันเผลอมันจะต้องหยุดมันจะหยุดมันไม่ได้นะต้องทำสมาธิก่อนต้องฝึกสติก่อนจิตให้รวมหยู่จิตให้ได้ก่อ น, ออ น, นครับอนแลว้วกรณีปัญญาเราจะรู้ได้ไงครับว่าเป็นปัญญาจริงหรือปัญญาหลอกก็อตอนที่เกิดความอยาก มันจะสบายกว่าใช่ไหมถ้าเราเทาดีเ่ด้วยปัญญาที่ถ้าเป็น<ม>ปัญญาจริงมันก็หยุดความอยากได้อยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มดื่มแล้วมันทุกข์มันจะไม่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมถ้าเป็นปัญญาแล้วถ้าอื่นใดในสิบเรื่องนั้นถ้ามันอื่นใดก็สแสดงว่าเรายังยังหยุดัน ไ, ไม่ได้ด้วยปัญญาเราก็ต้องใช้สติช่วยกลับมาพุทโธพุทโธกลับมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบอยู่แล้วพอมันอยากมัน พอเราใช้ปัญญามันก็หยุดปับ๊บมันก็สงบได้ทันทีขึ้นมาทำกีบเบ้ๆค่ะแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธินะคะแต่ชุดบางช่วงที่เราอยากจะพักนี้นะคะ่ะเราก็มองต้นไม้มองธรรมชาติก็เลยขึ้นมาคิดว่าเอ๊ะการที่เรามองต้นไม้มองธรรมชาติแล้วเราชอบเนี่ยถือว่าเป็นกิเลสหรือเปล่า เราควรจะมองด้วยการที่กําหนดดูว่ามันเป็นไตรลักหรือไม่ถ้ามันชอบก็เป็นกิเลสละมันต้องเฉยๆดูลูกเฉยๆสักแต่ว่าเราไม่รักไม่ชังต้องเป็นูเบคขาดูแบบอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นต้นไม้เดี๋ยวกลัวมันจะหล่นลงมานี่ก็เป็นกิเลสละเห็นกิ่งไม้เดี๋ยวกัวมันจะหล่นลงมาทำหลังคาแตกก็ปูนแตกขึ้นมาวิตกขึ้นมาลนะกังวลขึ้นมาลนะต้องดูเฉยๆมึงย่าตกก็ตก มึงจะอยู่ตอนนี้มึงไม่ตกก็รู้ว่ามึงไม่ตกดูตามความเป็นจริงเฉยๆอย่าไปวิาพากวิจาร์อย่าไปภาคอย่าไปรักตปชังไปกลัวไปหลงกับสิ่งที่เราเห็นทางบ้า น, นอยู่ทางบ้านไม่ได้ถามครับคำถามจากทางเฟซบุ o k ครับจากคุณวิไลลักษณ์ชัยพัฒน์กาเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าคนที่ใส่บาททุกวันแล้วถูกหวยทุกงวด เกิดจากผลบุญที่เขาได้ทําใช่หรือไม่คะมันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่ามันต้คนอื่นที่เขาใส่บาต ท, ทุกวันไม่ถูกก็มีเยอะแยะถ้ามันเป็นผลที่เกิดจากการใส่บาตรคนใส่บา ท, ทุกวันก็ต้องถูกหวยกันทุกคนแั้วมั น, นอาจจะเป็นโชคของเขาอาจจะก็มีอะไรดีๆก็มีตาทิพอะไรของเขาก็ได้บางคนเก่งเบอร์ไหนก็ออกเบอร์นั้นอันนี้นก็เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของเขาดีปะ่ะ หรือเป็นบุญเก่าของเขาก็ได้เป็นช่องของเป็นช่องเปิดให้บุญเก่าเข อ, ออกมาได้ได้ออกมาสงผลเนพวกที่ใส่บาตรทุกวันแล้วยังไม่ได้ถูกหวยในี่แทงหวยที่ไรก็ไม่ถูกแสดงว่ไม่มีบุญเก่าต้องรอให้บุญใหม่ที่สร้างนี้มีกําลังมากก่อนให้มันออกดอกออกผลกันต่อไปอาจจะแทงแล้วอาจจะถูกก็ได้ดังั้นมันไม่แน่นอนเอ่ะการทําบุญใส่บาตรนี้เราไม่ได้ ต้องการผลจากการร่ำรวยจากการถูกหวยถูกอะไรเราต้องการความร่ำรวยทางจิตใจรวยบุญทําบุญแล้วทําบุญแล้วเราจะมีบุญบุญนี่แหละทําให้เราใจมีความสุขมีความอิ่มครับคําถามจากคุณทองเลี่ยมสิงหวุฒิกราบน้ัสการค่ะพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าถ้าจะถอนคําสัญญาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะต้องทำอย่างไรดีคะกราบสาธุคะ่ะท่านก็ถอนด้วยก็ให้คำสัญญากับใครแล้วก็ไปขอถอนได้ แ, แต่ยัไปถอนแบบได้แล้วแล้วก็ไปถอนอยงไม่ได้พอขอนน่นขอนี้พอได้มาแล้วมาขอถอนถ้าขอถอนก็ต้องคืนสิ่งที่เราได้มาไปไม่ใช่แบบแบบว่าขอขอสิ่งโน่นสิ่งนี้ได้แล้วจะไปทำอย่างงาุ่นอย่างนี้พอได้มาแล้วขอถอนไม่ได้เมื่ได้ไมาแล้วก็ต้องไปทำตามสัญญาไว้ แต่ถ้าขอแล้วยังไม่ได้อะไรนี่ก็อาจจะไปข อ, อขอข อ, ขอถอนได้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นหนี้กั น, นก็ขอขอถอนได้อยู่แต่ถ้าได้มาแล้วถือว่าเราเป็นหนี้เขาแล้วเราก็ต้องไปใช้หนี้คำถามจากคุณพลนพัสกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะในการทำธุรกิจหากมีเจ้าหน้าที่เช่นฝ่ายจัดซื้อขอค่าน้ำหรือค่าพิเศษจากเราเราเอาเงินส่วนตัวให้จะบาปไหมคะ เม่เราก็เป็นการทำบุญเราก็ทำบุญไปถือว่าเป็นการเหมือนบลิกานอาหารใช่ไหมเราก็อาหารเขาก็มีกราคาอาหารใดก็ยังต้องมีให้ทิปให้เติ้ลับบคนบริการอันนี้ก็หมายให้ทิปเขาไป <c oughs> คำถามจากคุณพรกระหนกกาบเรียนถามค่ะเวลาใส่บาตรจะอุทิศบุญให้ผู้ให้ผู้ร่วมรับไปแล้วส่วนการสวดมนต์ ควรอุทิศบุญให้ผู้ล่วงรับไปด้วยหรือเปล่าครับและท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญหรือไม่การสวดมนต์ยังไม่ได้บุญเนี่ยยังเป็นการเป็นการสร้างบุญยังแต่ผลบุญยังไม่เกิดเหมือนกันเป็นการปลูกต้นไม้แต่ดอกผลยังไม่ออกเพราะจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รวมเป็นสมาธินั้นเขาจึงไม่นิยม อ, อุทิศบุญด้วยการสวดมนต์เขาแต่การใสบร่บาตรปั๊มนี้มันได้ผลละได้บุญ ออกดอกออกผลขึ้นมาแล้วเวลาเราใส่บาตนี้เรามีความสุขใจอิ่มใจที่เราได้เสียสละเงินทองก้อ น, นี้ไปเกิดความอิ่มใจสุขใจอันนี้เราอุทิศได้แต่เวลาส่วนนี้มันยังไม่สุขใจอิ่มใจเหมือนตอนที่เราใส่บาตรเาั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ผลจากการปฏิบัตินี้เขาเขาให้ให้ทำบุญใส่บาตหรือถวายสังฆทานหรือทําทานแล้วก็อุทิศบุญไป คำถามจากคุณปีรักษ์การเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ดูโลกธรรมแปดให้เห็นให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับเให้เห็นว่าไม่เที่ยงเงินทองได้มาแล้วก็อาจจะหมดไปได้เมื่อไหร่ได้มาแล้วอาจจะไม่ได้ไปเรื่อยๆเจ็ได้เ่ินมีขึ้นมีลงมีนวยมจววีจนได้รวยได้กับจนได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ก็กลับไปเป็นกลับไปเป็นคนธรรมดาสามัญได้ ขอาพวกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าไปติดมันแล้วเวลาเสื่อมมันจะทุกข์มากเวลาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วพอถูกก็ปลดไปางต้องในประเทศไปอยู่ต่างประเทศนี้ไงกลายเป็นนายกคยเป็นอะไร<ม>ด้านดีวันดีคืนดีก็ไม่ได้เป็นนอกจากไม่ได้เป็นแล้วยังถูกเขาจับจับจะไปจับเอาขังคุกขังตารางอีก<ม>ถ้าเราไม่ไปอยากเป็นนายกเส้นมันก็หมดปัญหาไป<ม>อยู่เป็นคนธรรมดาสามัญ เพราะคนธรรมดาสามัญไม่ต้องลีภัยไปไหนแต่คนที่เป็นนายกกับต้องลีภัยไปก็เห็นชัดชัอยู่นี่เโลก็ทำแปลคําถามจากคุณวัชระกราบพระอาจารย์ครับอยากทราบความรู้ในธรรมข้อสัมมาทิฏฐิสิบยันที่ทําแล้วมีผลจริงการบวงสรวงทําแล้วมีผลจริงแปลว่าอะไรครับขอความกระจ่างในข้อธรรมครับอ๋อนี่เราไม่รู้แหละต้องไป ต้องไปค้นคว้าใน Google ดูว่าแล้วกันนะเพราะเราไม่เคยได้ยินคำว่ายานนี้เป็นยังไงคำถามจากคุณกัตตนาถ้าเราเป็นผู้บริหารมีอำนาจให้คุณให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชากรณีต้องให้โทษตามระเบียบที่องค์กรวางไว้และพิสูจน์แล้วว่าผิดจริงควรทำอย่างไรดีคะก็ต้องทำไปเหมือนกับเป็นสารน่ะาลตัดสินเมื่อ มัเป็นไปตามกฎระเบียบถ้าเขาทำผิดแล้วมีกฎบังคับให้บงังให้ลงโทษเขาก็ต้องลองโทษเขาไปจากคุณเปิ้ลเรียนถามค่ะขณะที่นั่งสมาธิสังเกตดูลมหายใจจะเห็นว่าลมหายใจไม่เที่ยงบางครั้งจังหวะที่ลมกระทบจมูกเป็นเข้าแต่แปรเปลี่ยนเป็นออกเลยรู้สึกดูไม่ทันในขณะนั้นว่าเป็นลมเข้าหรือลมออก ต้องดูไปอีกสักรอบถึงจัดสังเกตได้อย่างนี้จะต้องแก้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ อ, อ, อย่าไปวิจัยมันอย่าไปวิพากษ์วิจารให้ดูเฉยๆให้รู้ว่ามันเข้าหรือว่ามันออกเข้าพอคำถามจากคุณปริยาการนั่งสมาธิควรหันหน้าไปทางทิศใดคะทางไหนก็ได้คำถามจาก YouTube ครับกราบจากคุณพาคินครับ กราบพระอาจารย์ครับขอถามว่าเวลาจิตปล่อยพุโทโธแล้วเข้าไปในสมาธิเป็นยังไงครับแล้วผู้รู้ยังอยู่ไหมครับหรือว่าว่างเฉยๆครับมันต้องรู้เองเวลาพุโทโธพุโทโธไปแล้วเวลามันปล่อยมันก็เหมือนกับตกลุมตกบ่อแล้วพุโทโธก็หายไปแล้วตัวผู้รู้ก็โผก่ขึ้นมาเหนือแต่สักแต่ว่ารู้ว่างทุกอย่างหายไปหมดคําถามจากคุณไอซ์เบอรีกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการบรรลุเป็นพระอริยะ จากพระโสดาบันจนถึงพระอาหารหันต์บารมีสติต้องเต็มไหมคะก็ต้องเต็มนะหรือมรรคแบบก็ต้องเต็มสินสมาธิปัญญาก็ต้องเต็มเหมือนกันมรรคแปดบารมีสิบสินสมาธิปัญญานี่ตัวเดียวกันต่างลักษณะกันแนะ่นั้นเองต่างชื่อต่างลักษณะเหมือนผู้หญิงเนะี่ยที่เป็นเด็กหญิงเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางนี่มันก็คนเดียวกันนะ่ะ คือมันได้รับรับการพัฒนาจากเด็กหญิงไปเป็นนางสาวจากนางสาวก็ได้ไปเป็นนางนักแปดบา ร, รมีศีทธก็เหมือนกันมันก็ต้องเต็มร้อยตอนต้นก็ทำทเทละล็กเทียน้อยไปก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนมอมันเต็มร้อยมันก็จะบรรลุบังผลนิพพานได้คําถามจากคุณอภิสิทธิ์กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับความสุขสงบเย็นที่เป็นผลจากการทําสมาธิและพิจารณาไตรลักษณ เราควรปฏิบัติต่อสภาวะนี้อย่างไรครับเอาพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ต่อหรือให้วางจิตเป็นอุเบกขาอยู่เฉยๆครับเออถ้าจิตให้จิตอยู่เฉยๆอย่าไปคิดอะไรไตรลักษ์นี้เราใช้เวลาที่จิตมันไม่ไม่สงบไงเวลาจิตอยากได้อะไรมันจะไม่สงบเราก็ต้องใช้ไตรลักษ์มาส่ใจให้ปล่อยสิปล่อยความอยากที่เราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาพอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษ์เป็นทุกข์เราก็จะปล่อยไป พอปล่อยจิตก็จะสงบพอจิตสงบเป็นอุเบกขาก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปนี่คือจุดยืนของจิตเราที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้จิตเข้าสู่ตรงจรุดนี้คือตรงจรุดที่เป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกอย่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรหมดแล้วแหละ คนบางคนนี้ไม่เข้าใจคิดว่าการเจริญปัญญา ต, ต้องไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปนั่งเจริญปัญญาอันนี้ไม่ใช่การนั่งหลับตานี้นั่งเพื่อทำใจให้สงบทำสมาธิให้ใจมีความสุขจากความสงบแต่ปัญญานี้ต้องใช้ตอนที่ออกมาจากสมาธิอย่างตอนนี้ตอนที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยตอนที่เราคิดอยู่เนี้ยแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดไปทางความอยากก็ดึงให้มาคิดมาทางปัญญาแทน สอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราร่างกายของทุกคนเป็นสุภะต่อไปตายไปก็ต้องเกิดอื่นขึ้นพร้อมต้องเน่าเฟะต้องต้องป่วยต้องอะไรไปกลายเป็นดินไปผุพังไปหรือเป็นโครงกระดูกไปนี่เกิสิ่งที่เรเรียกวิรญยาที่เราควรจะคิดคิดไว้เพื่อเราจะได้มีอาวุธ เวลาเกิดสงครามเราจะได้ใช้อาวุธได้สงครามกับเราก็คือเวลาตันหาความอยากมันมันบุกมาพออยากได้แฟนอยากได้สามีอยากได้ภรรยาก็คิดถึงอสุภปะปั้นมันก็ไอข้าศึกศัตรูมันก็ถอยไปทันทีแต่ถ้าไม่คิดถึงอสุภะคิดว่าโอ้ยสวยเหลือเกินหนล่อเหลือเกินน่าอยู่เหลือเกินอยากจะได้นางงามจักรวาลที่เพิ่งชนะนี่นเป็นแฟน แต่พวกซีอาเซียังหาตอนนี้คงจะวิ่งกันมุ่นกันเน่ยห <c oughs> าวิธีซื้อนางงามไม่ได้นะไม่เห็นนสุภาพถ้าเราถ้าเรามีมีปัญญาเราก็จะฆ่าถ้าเรามีอสุภาพเวลาเกิดความอยากได้แฟนได้ได้สามีได้ภรรยาก็ฆ่ามันได้ทางทีแต่ถ้าเราไม่พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนก็มองไม่เห็นลืมไปไม่คิดถึงมันคิดแต่ว่าสวยรอน่ารัก มันก็จะทําให้ต้องวิ่งวุ่นไปหาสิ่งที่อยากได้ขึ้นมาได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์มาคอยดูแลรักษามาหึงมาหัวงมาห่วงนี่คือเรื่องของปัญญาต้องใช้ตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิออกจากสมาธิแล้วต้องทําการบ้านก่อนถ้ายังไม่มีปัญหายังไม่มีความอยากเกิดขึ้นก็คิดคิดไปเตรียมไว้ก่อนถ้ามีความอยากถ้ามีปัญหาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาตอนนั้นเลย ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้สติหยุดมันก่อนเช่นออกมาจากสมาธิก็อยากจะดื่มกาแฟถ้าร่างกายหิวน้ํามันก็ต้องดื่มน้ําแต่ไม่ต้องดื่มกาแฟเลยใช่ไหมถ้าดื่มกาแฟนี่ก็เป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของกาแฟแะ้ถ้ามีปัญญามันก็จะต้องหย่ดละดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆเวลาไม่มีดื่มก็ยังทุกข์ถ้ากินอย่างนี้มันก็จะหยุดดื่มละดื่มน้ําปล่าดื่มง่ายดีเปิดมาเพื่อกดื่มได้เลย ดื่มกาแฟก็ต้องไปต้มน้ําก่อนต้องไปเตรียมแก้วเตรียมอะไรอีกนั้นนี่คือปัญญาถ้าถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ใช้ไม่มีปัญญาจะหยุดมันก็ใช้พุโทโธหยุดมันไปก่อนใช้สติกลับไปนั่งสมาธิใหม่ <Yeah. S 1> แต่ถ้าออกมายังไม่มีความอยากอะไรก็คิดไว้ล่วงหน้าก่อนที่ว่ญญาอย่าไปอยากกับอะไรนะของทุกอย่างที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์มันเป็นยาเสพติดเป็นเหมือนยาพิษเ <Yeah. S 1> ข้ามาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องทําให้เรา ทุกทำให้เราเจ็บปวดรวดร้าวทางจิตใจอย่าไปเอามาดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบตอนที่เราอยู่ในสมาธิดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะดิดความอยากได้อาจารย์คะจิต ด, ดวงเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาเขาจะสงบเนี่ยบางทีเขาพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วมันก็ดูยุ่งยุ่งแล้วเขาก็สงบลงไปแล้วบางครั้ง ก็ไม่ําเป็นว่าจะต้องยุ่งยุ่งแล้วสงบมันไปอยู่ๆเขาค่อยๆสงบค่อยๆสงบคือการสงบในจิตดวงเดียวกันเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใต่างลักษณะบางทีอยู่เฉยๆไม่ได้คุยกับใครไม่ได้อยู่กับใครมันก็สงบออกมาเองได้ถ้ามันเคยสงบมาแล้วแต่บางครั้งถ้ามันยุ่งมันต้องใช้คําบริกรรมหรือใช้อะไรควบคุมมันให้มันเข้าไปแล้วมันก็อยู่ที่ภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จิตต้องมาพบปะอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ย เคยเคยนั่งอยู่คนเดียวอยู่วันหนึ่งพวกค้าราชบริพารเขาไปทําภารกิจอย่างอื่นว่าให้ท่านนั่งอยู่คนเดียวจิตใต้ใต้โคนต้นไม้จิตของท่านก็สงบขึ้นไปเองโดยที่ไม่ต้องพูดโธรไม่ต้องอะไรเพราะอดีตจิตของท่านเคยสงบมาแล้วพอมีภาวะที่ส่งเสริมให้มันสงบมันก็สงบขึ้นของมันเองมีคําถามหไหมดีครับอีกสองขัออีกสองขอ้อครับคําถามจากคุณภาวไมาเรียนถามค่ะ เวลาภาวนาแยกว่าจิตกับกายคนละส่วนกันจะรู้สึกร้องไห้ออกมาทุกครั้งเกิดจากอะไรคะก็ไม่ตรองไปรู้อะมันรู้ก็ร้องร้องก็ร้องไปใจทำยังไงแหละมันร้องก็ร้องไปมันเป็นอนัตตาอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาคาถามจากคุณมงคลกราบเรียนถามหากมีสติต่อเนื่องในการทํางานประจําสามารถเกิดคณิกาสมาธิได้หรือไม่ครับไม่หรอกเพราะการทํางานมันต้องใช้ความคิด ต้องเป็นสติแบบไม่ต้องใช้ความคิดแบบเวลาที่เราปาด บ, บ้านถู บ, บ้านอาบน้ำาีมันไม่ต้องใช้ความคิดอย่างนั้นน่จะทำให้เกิดสมาธิได้แต่ถ้าทำงานมันก็ใช้ความคิดพอมาหน้าสมาธิดูลงมันก็จะคิดต่ออ mm ่า hmm. อข้อข้อสุดท้ายจากคุณเอ็มครับสอบถามพระอาจารย์ครับวิปัสสนูปกกิเลสคืออะไรครับแล้วจะเกิดกับผู้ปฏิบัติทุกคนไหมครับคือความหลงผิดไง หลวงว่าตอนเองได้บรรลุคันคันนี้แล้วด้วยความคิดเองแต่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างสมัยนี้มีคนอ่านหนังสือพระโสดาบันละละสังโยชน์ได้สามก็อ่านดูเอ้เราก็ละได้เล็หน่อยไอ้นี่เราก็ละได้แล้วโดที่ไม่ได้ไปมีข้อสอบมาพิสูจน์เี้ยละด้วยความคิดเนี้ยเนี่ยยุปัชโนะอะไรนะเดยอะอย่าง น, น, นี้มีโสดาบันแบบนี้เียอะเอาจริง ยูทูบใหม่อีกข้อข้อสุดท้ายครับจะคุณไอซ์เบอร์รี่ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างการนั่งสมาธิถึงกลางระหว่างที่จะรวมแต่ก็ยังไม่รวมดีจิตควรจะเกาะ อ, อยู่ที่ตรงไหนครับหนูรู้สึกว่าจิตควรมีที่ยึดเกาะเลยดูการกระเพื่อมของกระบังลมถูกไหมครับก็ยึดเกาะที่เราเริ่มต้นน่ยถ้าเรานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรยึดเกาะตั้งแต่เราเริ่มนะดูลมก็ดูลมไปพุโทโธก็พุโทโธไปอย่าไปสนใจกับผลที่ยังไม่เกิด หรือก็มังจะเกิดถ้าเราผ่าออกจากจากพุโทโธจากลมแล้วมาดูผลมันจะไม่เกิดนะท่านนี้ก่อนนะวันนี้บอกสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริจาจรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธาสาธุปฏิบัติไปนะของดีนะ รถแังทัรมใช่ไหมรถทั้งปวง